ส่ธรรมชาติแต่ช้าเนื่คือฝนลงก็สดชื่นกันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อะไรก็ตามที่เป็นธรรมชาตินะครก็เป็นสิ่งที่มีคุณนั่นี้คือตรงเนี้การที่เราจะใช้ชีวิตของพวกเราถ้าหากว่าพวกเรา สามารถที่จะใช้ชีวิตที่กลับคืนสึงความเป็นธรรมชาติตรงนั้นก็เราก็จะแบบว่าได้รับเรียกว่าได้รับคุณจากธรรมชาติตรงตรงตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าสนใจว่าเราจะมีเป้าหมายในชีวิตแบบนั้นกันดีไหม เป้าหมายในชีวิตก็คือการกลับคืนไปสู่ธรรมชาติที่เรามีอยู่จริงๆโดยที่ไม่มีอะไรที่มาเคลือบไม่มีอะไรที่มาปิดบงังตรงนี้ถ้าหากว่าเราได้ตั้งเป้าหมายชีวิตของเราเอาไว้แล้วเราก็พยายามที่จะพาตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่า ทุกวันนี้เราดำเนินชีวิตเหมือนกับเราขาดเราขาดเป้าหมายอันนี้ไปเราดำเนินชีวิตไปตามสัญชาตญาณซะมากกว่ามันเหมือนกับให้กลรว่าเป้าหมายระยะสั้นๆเฉพาะหน้าอันที่เช่นกินให้อิ่มนอนให้หลับหรือว่าอะไรต่างๆงานานาหลานี้ ที่ที่มันเป็นเป้าหมายเฉพาะหน้ามันเข้ามาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่ว่าเป้าหมายที่เราจะกลับคืนไปสู่ความเป็นธรรมชาติของเราอยางสมมติถานว่าทางพุทธเราก็บอกว่า<ม>เห็ครับ<ม>การไม่มีทุกข์<ม><ม>การที่เราจะพัฒนาจิตของเราให้ไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจิตเดิมแท้ คืจิตที mind, ่ไม่มีอะไรเคลือแแฝงตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำทำได้ทุกขณะในขณะที่เราทากิจกรรมต่างๆนานาในขณะที่กาลังทานอาหารในขณะที่เรากาลังแต่งตัวในขณะที่เรากำลังทางานทาการต่างๆเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบว่าดำเนินชีวิตไปวันๆหนึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ ครูเจ้าก็ได้แนะนําเอาไว้แนะนำเอาไว้พรูเจ้าก็ได้แนะนําเอาไว้แล้วว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะพัฒนาพัฒนาจิตของเราเราสามารถที่จะพัฒนาตัวสติของเราตัวเนี้ยเราก็จะมีสติระลึกถึงเป้าหมายของชีวิต กันตลอดแล้วเราสามารถที่จะทําให้เกิดมีขึ้นได้ตลอดเวลาขนานไปกับแสงชันพยายาต่างๆนานาที่เรามีกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะพัฒนาชีวิตของเราให้พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราให้ได้มากที่สุดตรงนี้เป็นสิ่งที่ เหมือนกับไม่น่าเชื่อเหมือนกับไม่น่าเชื่อวันนี้เราอาจจะพึ่งประตุสิ่งของเยอะแยะไปหมดอาจจะพึ่งความสะดวกพึ่งความสบายอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราที่เราจะพึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ตรงนั้นเราจะพาให้ชีวิตเราเนี่ยเข้าไปใกล้ธรรมชาติที่สุดกลับเข้าไปคืนสู่ความเป็นธรรมชาติอย่างดีที่สุด แล้วก็ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเราแก้ไขสิ่งที่เป็นนิสัยที่เราค่อยๆสะสมขึ้นมาในส่วนเกินของชีวิตสะสมขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวกลับคืนไปสู่ความเป็นธรรมชาติแท้ๆของตัวเราตรงเนี้ยกลับกลายเป็นว่านี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดบางทีเราอยู่ในโลกตรงนี้เนี่ย โลกที่มีการปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเราก็หลงไปว่าสิ่งที่มีมากขึ้นมากขึ้นก็คือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นแต่กลับปรากฏว่าการที่เราลดละเลิกสิ่งต่างๆนาน า, นานกลับกลายเป็นว่าจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้ น, นซึ่งตรงนี้เราก็ให้เราเนี่ยได้พิจารณาตรงนี้กัน พิจารณาตรงนี้เป็นจริงๆเป็นสิ่งที่พวกเรากําลังทํากันอยู่การปฏิบัติธรรมที่พวกเราได้แบบว่าได้ทำกันอยู่ตอนนี้เนี่ยทำให้ชีวิตเราเนี่ยได้ดีขึ้นมาจริงๆหรือปล่าทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีทุกน้อยลงจริงๆหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเองเราต้องตรวจวัดตรวจวัดอย่างเขาเรียกว่าอย่างตรงไปตรงมา อย่างใจเป็นธรรมอย่างที่เรามีเป้าหมายในชีวิตว่าชีวิตเราอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องพาชีวิตเราให้พุ่งน้อยลงน้อยลงจะไม่ทั้งไปถึงจุดที่เรียกว่าไม่มีทุ่งซึ่งตรงเนี้หรือว่าพี่เจนก็จะพูดเอาไว้ว่าเราทุกคนเกิดมามีสิทธิ์ติดตัวก็คือมีสิทธิ์ที่จะไม่พุ่งเราได้ใช้สิทธอันนั้นแล้วหรือยังและสิทธ์อันนี้เนี่ยไม่ต้องรอให้ใครมาให้ไม่ต้องรอถึงระดับเท่าไหร่ ถึงจะได้ใช้สิทธิอันนั้นเราก็สามารถที่จะใช้สิทธ์อันนี้ได้ตลอดเวลาซึ่งตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าเองก็พูดถึงเรื่องการพึ่งตัวเองเอาไว้ซึ่งการพึ่งตัวเองตรงนี้ก็คือการพึ่งกายพึ่งใจพึ่งสติที่มีติดตัวเราอยู่แล้วเราเองเราก็ใช้สิ่งเท่านี้น้อยที่สุดเท่านี้นเราปรากฏว่าน้อยที่สุดตรงนี้แหละที่จะพาเราไปได้ไกลที่สุด ไกลจากไหนไกลจากความทุกข์ไกลจากความทุกข์ไกลจนกระทั่งพนไปไม่มีเลยที่สุดนะตรงนี้เป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าพวกเราได้ลองสังเกตการเวลาที่เราอยู่ในเมือง เ, เราพึ่งวัตถุสิ่งของมากขึ้นมากขึ้นยิ่งพึ่งมากขึ้นมากขึ้นความสะดวกสบายต่างๆน า, นานาที่เราพึ่งตรงนะี้เราก็จะ ย, ย, ยิ่งยึดยิ่ติดมากขึ้นยึดติด ม, มากขึ้นความทุกข์ก็มากขึ้น ภาังก็มากขึ้นถ้าหากว่าพอเราพึ่งตัวเองให้มากขึ้นพนะึ่งกายพึ่งใจพึ่งสติเอาสามอย่างนี่มาใช้ให้มากขึ้นใช้ให้ถูกทางมีอยู่แล้วก็ใช้ให้ถูกทางตรงเนี้ยกลับปรากฏว่าชีวิตเรากลับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทุกขณะอย่างสมัยก่อนนะตอนเด็กๆเคยได้ยินอาจารย์พุทธทาสที่คําพูดของอาจารย์พุทธทาสแบบว่า การทำงานคือการปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ยินเนาะแล้วก็เป็นคาพูดที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะทำยังไงดีทำยังไงถึงการทำงานถึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมมันก็ติดอยู่ในหัวติดอยู่ในความทรงจำตลอดมาการทำงานคือการปฏิบัติธรรมก็ดีก็พยายามหาทางตรงนั้นอยู่ว่าเอ๊ะทำยังไง นะถือจะทำให้การทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมตรงนี้เราก็ไม่เข้าใจคำว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรในสมัยก่อนซึ่งถึงตอนนี้เองเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็คือการทำให้เราทุกข์น้อยลงการปฏิบัติธรรมก็คือการทำให้เราทุกข์น้อยลงอาจารย์พุท ธ, ธาสก็ไม่ได้บอกว่าให้ลดการทำงานลงนั่นจะเป็นการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่แต่กลับปรากฏว่าการทางานคือการปฏิบัติธรรม ยิ่งทำมากขึ้นนะยิ่งทําให้ธรรมะมากขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงตรงเนี้ยเนาะซึ่งนี่ก็คือน้ำวันนี้เนี่ยเราก็มีคําตอบมีคออําตอบตรงนั้นมากในความเป็นจริงแล้วการทํางานที่จะทําให้ชีวิตเราดําเนินไปมีวิถีชีวิตที่จะแบบตั้งแต่ตื่นจนหลับสิ่งต่ตางๆนานาเหล่านี้ก็มีได้เนาะหลายหน้าที่หลายการงานมีทั้ง อาชีพการงานต่างๆที่จะทำให้สังคมเนี่ยเคลื่อนตัวไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือในขณะที่เราทำงานเราปฏิบัติทำตรงนั้นไปด้วยหรือเปล่าในขณะที่เรากำลังทำงานเราได้พาชีวิตของเราให้ทุกน้อยลงหรือเปล่าตรงเนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าในขณะที่เราใช้กายทางานในขณะที่เราใช้ทักษะที่เรามีอยู่ในการทางานถ้าหากว่าเราสามารถที่จะ แบบว่าทํางานขนานคู่กันไปอีกอันหนึ่งก็คือการทําให้ชีวิตเราทุกน้อยลงไปด้วยเนี่ยตรงนี้ตรงนั้นอ่ะคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดตรงนั้นอ่ะคือสิ่งที่เรียกว่าเราใช้กายทํางานด้วยแล้วเราก็เอาสติเอาจิตของเราเนี่ยทํางานไปด้วยแล้วก็ตรงนั้นอ่ะจะเป็นสิ่งที่เราพบว่าการทํางานก็คือการปฏิบัติธรรมก็ว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรยังไงก็ตามตรงนี้น เราก็สามารถที่จะทํางานขนานไปอีกอันหนึ่ง <c oughs> ก็คือการทํางานตามเป้าหมายของชีวิตเราตามเป้าหมายที่ว่าชีวิตเราจะต้องพาชีวิตเราให้ไปใช้สิทธิ์ของความไม่ทุกข์พาชีวิตเราไปถึงจุดที่เราทุกข์น้อยลงน้อยลงจนกระทั่งถึงไม่มีทุกข์ในที่สุดตรงเนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทําขนานกันไปได้เปลี่ยนหลมเป็นรู้เปลี่ยนหลมเป็นรู้นะอย่างที่หลวงพ่อเกยนได้บอกเอาไวา้ ตรงนี้หลงไปไม่เป็นไรเนาะหลงไปไม่เป็นไรรู้เมื่อไหร่ก็มานั้นเนาะรู้เมื่อไหร่ก็มานั้น unge. ถ้าหากว่าเราหักเราหักตรงนี้เราหักตรงนี้เนาะ<ๆ>ก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยได้ก็เรียกว่าใกล้ธรรมมากขึ้นใกล้ธรรมชาติมากขึ้นนะใกล้ธรรมมากขึ้นใกล้ธรร ม, มาชาติมากขึ้นชีวิตเราก็ห่างทุกข์มากขึ้นห่างทุกข์มากขึ้น ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่การที่เราอาศัยกายที่เคลื่อนไหวมีกายที่เคลื่อนไหวเป็นหลักเอาไว้เนาะแล้วก็คอยเนาะเอาใจมารับรู้การที่เรามีกายเคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้ตรงนี้เราคอยเติมความรับรู้เข้าไปเติมความรับรู้ไปในกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยตรงนี้มันจะทำให้เรามีนิสัยใหม่มีนิสัยที่จะพาตัวเองเนี่ย ผลทุกอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ให้เราสังเกตดูนะผลของการทำตรงนี้เราจะได้รับผลทันทีได้รับผลตั้งแต่พวกเราเนี่ยได้เริ่มพาตัวเองมาสู่ทางของการปฏิบัติทางและได้เริ่มพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ไม่ใช่หมายถึงว่าเราทำเก่งแล้วเราถึงจะได้ผลไม่ใช่แต่ว่าเราเริ่มทำเราก็ได้รับผลรับผลตรงนั้นทันที ถึงเป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้มั่นใจแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยพิจารณาจริงๆเพราะว่าถ้าหากว่าพวกเราทําแล้วเราได้เห็นผลจริงๆได้พบได้พบผลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลที่เล็กน้อยแค่ไหนก็ตามในทางธรรมจะมีคาหรือคำหนึ่งก็คือได้ผลสมควรกับการปฏิบัติคือเมื่อไหร่เราปฏิบัติเมื่อนั้นเราก็ได้ผล เมื่อไหร่เราปฏิบัติถูกต้องเมื่อนั้นเราก็ได้ผลการปฏิบัติตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่หลวงพ่อเขียนก็บอกเอาไว้นะก็คือการละความคิดการเพียนที่จะละความคิดตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะพบว่าการเพียนที่จะละความคิดเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืงยากไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยอ่อนอะไรนะ แล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ในทันทีที่เรามีสติระลึกขึ้นได้ระลึกขึ้นได้ว่าตอนนี้นะเราหลงไปคิดก็ละความคิดมาับระลึกขึ้นได้ว่าตอนนี้นะเราหลงไปคิดเนี่ยตอนนี้เราก็กลับมารู้สึกตัวกันใหม่รู้สึกขึ้นได้ว่าอืมตอนนี้กายกำลังเคลื่อนไหวนะเราก็รู้สึกกันได้ในขณะที่เรารู้สึกได้ว่ากายเคลื่อนไหวตรงนี้ใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว ตรงนี้เป็นสิ่งที่การปฏิบัติธรรมก็ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อแต่ว่าที่สําคัญก็คือเราต้องมีสตินะที่จะรลลึกรู้ณวันนี้เนี่ยเราอาจจะมีสติไม่เพียงพอเนื่องจากว่าเรามีความเคยชินเก่าๆอยู่เรามีความอยากที่ติดตัวมาตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่เพราะฉะนั้นตรงเนี้เราวันนี้ก็อาจจะต้องตั้งใจนิดนึงนะครับ ตั้งใจนิดนึงตั้งใจที่จะรับรู้กายที่เคลื่อนไหวตั้งใจที่จะคอยดูซิว่าใจเราไปคิดนึกหรือเปล่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าเราละมัดระวังตรงนี้แล้วก็เพิ่มความตั้งใจตรงนี้สักนิดหนึง่งตั้งใจไปนานนานตั้งใจไปนานนานหัดไปนานนานตรงนี้เราจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นการที่ <c oughs> เรามีชีวิตมาถึงวันนี้เนี่ย มันมีหลายอย่างในชีวิตที่เราได้หัด ก, กันมันมีหลายอย่างในชีวิตที่เราได้เรียนรู้กันแล้วเราก็พบว่าถ้าหักว่าพวกเราได้หัดเนาะหัดสิ่งใดก็ตามอย่างที่เราอยากที่จะเป็นเราก็จะพบว่าตรงนั้นน่ะเราจะเพียร ท, ที่จะหักเพียรที่จะหัดเขาจนกระทั่งเราเองก็ทาได้ดีนะไม่ว่าอาชีพการงานอะไรก็ตาม เหมือนอย่างที่พงเดชเนี่ยแบบว่าทำเรื่องต้นไม้ชอบเรื่องต้นไม้ถึงวันนี้เราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต้นไม้เห็นต้นไม้นู้นเห็นต้นไม้นี้เราก็รู้ไปหมดเลยนะการที่พวกเราพาตัวเองมามีอาชีพอะไรบางคนอาจจะชอบทำกับข้าวอย่างเงี้ยถึงวันนี้เนาะเราหัดไปหัดมาไปหมาแล้วก็ทำกับข้าวได้เยอะแยะไปหมดอยเงี้ยหรือว่าถึงวันนี้เราชอบเครื่องยนต์กลไกเชือกครอบเครื่องเนาะ อิเล็กทรอนิกส์เงี้ยเราก็สามารถที่จะพาตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นทุกๆอย่างที่ในในวันนี้เราใช้เป็นอาชีพกันอยู่ในวันนี้เราใช้สําหรับที่จะหาเขาเรียกว่าหาสตังค์นะมาเลี้ยงชีพกันตรงเนี้ยเราเองเราก็สามารถที่จะพัฒนาสามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเราได้เหมือนเหมือนกันตรงเนี้ยการที่เรา มีสติเนาะระลึกรู้ทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งผ่านการที่กายเคลื่อนไหวเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะตรงเนี้ยเราก็จะพัฒนาสติของเราพัฒนาสติของเราให้เราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นในการที่จะกลับมานะกลับมาดูกายเคลื่อนไหวกลับมาที่จะดูใจคิดนึกแล้วก็ตรงเนี้ยการที่เราทําตรงนี้เนี่ยจนเป็นความเชี่ยวชาญเนี่ย มันจะมากกว่าการที่เราได้รับผลตอบแทนในการทำงานตรงที่มาสิ่งที่ได้รับผลตอบแทนของเรากลับกลายเป็นอีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นปัญญาพาเราออกจากทุกเพราะเนื่องจากว่าในขณะที่เรากลับมาดูกายที่เคลื่อนไหวกลับมาดูใจที่คิดนึกทุกครั้งที่เรากลับมาดูตรงนี้เนี่ยเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจเนี่ยมากขึ้นมากขึ้น อยที่ม้บาลเล่ากันให้ฟังว่าหลวงพ่อกำเขียนเนี่ยวันที่หลวงพ่อกำเขียนเทศให้กับโยมแม่ฟังเป็นครั้งแรกหลังจากที่มาบสถ์ขอหลวงพ่อกำเขียนหลวงพ่อเขียนก็บอกว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยจะไม่เอากายนี้ใจนี้เนี่ยไปทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษจะเอากายนี้ใจนี้เนี่ยที่ได้รับมาจากพ่อจากแม่เนี่ยมาทําให้แบบว่าเกิดสิ่งที่ดีงามไม่ทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษอีกตรงนี้เป็นสิ่งที่ นั่นคือเป็นสิ่งที่เราเองเราพบว่านี่คือสิ่งที่เป็นความกะตันยูของลูกคนหนึ่งนะที่ได้รับนาะกายรับใจมาจากพ่อจากแม่เนี่ยนั่นเราจะตอบแทนได้ถึงที่สุดตอนนี้ที่วัดก็วันนี้จะมีการบวชประมาณ9ก้าหน้าก็มีคนเนี่ยที่เาเรียกว่ามีคนสนใจบวชเข้าพรรษาเนี่ยเยอะอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพบว่า ทุกคนก็เคยได้ยินได้ฟังมาว่าถ้าบวชเนี่ยก็จะเป็นการตอบแทนตอบแทนพ่อแม่เนาะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้แต่ว่าการบวชตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเป็นรูปแบบนะไม่ใช่เป็นเนื้อหาแต่ส่วนที่เป็นเนื้อหาจริงๆการบวชก็คือการที่เข้ามาเป็นลูกพุทธเจ้าเมื่อเข้ามาเป็นลูกพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องทําตามเนาะ พ่อแม่บอกสอนตรงเนี้ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บอกได้สอนกันนั่นคือทํำยังไงถึงจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าเราได้ตรงเข้าไปสู่คําสอนของพระพุทธเจ้าได้เอาสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเป้าหมายในชีวิตเนี่ยตรงเนี้ยในขณะที่เราทําอะไรยังไงก็ตามเนี่ยเราจะทําให้ชีวิตเราไม่มีทุกข์ได้ยังไง แล้วก็ตรงเนี้เป็นสิ่งที่เป็นเป็นคําเฉลยนะคําเฉลยของคําว่าปัจจุบันขณะคําเฉลยของคําว่าจิตเดิมแท้เลื่อนยังไงก็ตามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่เดียวกันก็คือตรงนี้เนาะเราเนี่ยถ้าหากว่าเราทําปัจจุบันขณะตรงนี้ให้ไม่มีทุกข์ได้เนี่ยตรงนั้นก็เป็นปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุด ถ้าเราทำปัจจุบันขนาดให้เป็นจิตเดินแท้ได้ตรงนั้นน่ะก็หมายความว่าเราเปลี่ยนจากหลงเป็นรู้ตรงนั้นน่ะก็เป็นสิ่งที่เราทำเหมือนกันเราทำอย่างเดียวกันแล้วก็ได้ผลอย่างเดียวกันก็คือความไม่ทุกข์นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะอยากให้พวกเราเนี่ยได้เติมนะเติมความรู้สึกตัวเข้าไปกับการเคลื่อนไหว เติมความรู้สึกตัวเข้าไปกับทุทกๆความเคลื่อนไหวของเราแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะพาชีวิตของเราเนี่ยเข้าไปสู่เป้าหมายเนี่ยทุกขณะทุกขณะทุกขณะจะทําให้การทํางานของเรา เ, เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็จะทําให้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยที่หลวงพ่อเขียนบอกบอกว่าไม่มีใครเคยเห็นมันรุ่งนี้นะไม่มีใครเคยเห็นเคยเห็นแต่วันนี้และจริงจิงก็คือเห็นเฉพาะเดียวนี้จริงๆ เห็นเฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้ละแล้วก็เฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้ละที่เราจะทําได้ทําอะไรทําอะไรกันได้ก็คือเปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้จากการที่เราค่อยๆเพียงที่จะหัดหัดพอรู้สึกตัวหลวพ่อทเขียนก็จะพูดนะก็รู้สึกตัวได้ไหมว่าตอนนี้มือเราอยู่ตรงไหนรู้สึกตัวได้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยมือเรากําลังวางอยู่ที่ตรงเข่าวรู้สึกตัวได้ไหมว่าตอนนี้เรากําลังเคลื่อนไหวอะไรอย่างเนี้ยนะตรงนี้ ความรู้สึกตัวกันได้ทุกคนในเพลงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีสิ่งที่เราเรียกว่าความคิดมาบังก็เหมือนกับพอเวลาที่เราเริ่มฟังคํานี้ใหม่ๆเอ๊ะความรู้สึกตัวเป็นยังไงความคิดที่มันแซงขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาทันทีอย่างนี้นนะความคิดที่มันแซงขึ้นมาตรงนี้นะที่มันมาบังมาบังบังความรู้สึกตัวของเราเราลองสังเกตดู ความเขียนจะบอกว่าในเวลาที่เราตั้งใจทําอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยนะความคิดมันจะแสงหน้าแสงหลังไปหมดอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราก็เห็นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆในขณะที่เรากําลังยกมือเนาะสะร้างจังหวะปฏิบัติธรรมกันตั้งใจที่จะรู้สึกตัวแล้วก็บอกกันเนาะหลังจากที่ถามภาคแรกของการปฏิบัติธรรมกันนั้นก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างล้วก็พบว่าอ้งฟูงไปหมดนะ ทำไมความคิดเยอะอย่างนี้อะไรเงี้ยตรงนั้นก็คือสิ่งที่เราเห็นนะถูกต้องแล้วแล้วเราก็กําลังทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพอมาเมื่อก่อนเราอยู่กับความหลงจนกระทั่งความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเยอะยะไปหมดเลยโดยที่เราคิดว่าอันนั้นคือความเป็นปกติของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วนั่นคือความผิดปกติความไม่เป็นธรรมชาติเราไม่มีอย่างนั้นมาก่อน จนกระทั่งเรามีความจำนะมีความจําเห็นได้นู่นเห็นได้นี่ก็เข้ามาเป็นความจำํำไม่ต้องจากมันเป็นก็เรียกว่าเป็นกลไกลหนึ่งของชีวิตนะพอมีความจํามันจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่ามีการตรุงแต่งความจํำแล้วมันก็เสื่อมไปบ้างเนาะเพราะว่านั่นคือมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมมีความแมตเที่ยงจําไม่นั่นได้บ้างจําไม่นี่ไม่ได้บ้างมันก็ปุงแต่งเพิ่มสังขารเข้าไป ก็กลายเป็นเรื่องใหม่ๆขึ้นมากลายเป็นเรื่องที่มันไม่ไม่ตรงกับความจริงขึ้นมาแล้วเราก็ชอบนะที่จะเข้าไปอยู่การปรุงแต่งตรงนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้นะความคิดนะก็ะคือสิ่งที่หลวงพ่อครูบาอาจารยนะ์บอกว่าตรงเนี้คือสมุทยัยคือต้นเหตุ ข, ของทุกข์ก็ให้พวกเราเนี่ยได้พิจารณาตป็นั้นทบทวนกันถ้ า, ากว่าเราทบทวนกันว่าความคิดนี่แหละที่ทําให้เราทุกข์จริงๆ เพราะว่าโดยส่วนตัวเองก็จําได้นะว่าเมื่อไหร่ที่เราพูดถึงความคิดเราก็จะบอกว่ายิ่งคิดยิ่งทุกยิ่งคิดยิ่งยุ่ยิ่งคิดยิ่งเรื่องมากยิ่งคิดยิ่งแฉนยิ่งคิดยิ่งอะไรต่างๆไปหมดเลยนะเราก็อืคําพูดพวกนี้ต่างหากนะที่มันเป็นข้อสรุปของชีวิตเราแล้วก็เป็นข้อสรุปที่เราเองเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ย ได้เห็นตรงนั้นจริงๆ เ, เราจะมีศรัทธาในครูบาอาจารย์ว่าอืมครูบาอาจารย์เนี่ยสรุปให้เรานะว่าความคิดเนี่ยคือตัวสมุทรไทยและตัวสมุทรไทยนี่แหละเราต้องละซึ่งหลวงพ่อเกียรติก็บอกว่าเราเพียรละเนี่ยละความคิดนี่ก็คือการเพียรละสมุทรไทยเมื่อเพียรละสมุทรไทยมันก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยฮะทุกน้อยลงทุกน้อยลงแล้วก็ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ ในขณะที่เรากาลังทำงานทาการด้วยกายด้วยทักษะของเราเราก็เพียร น, นี้นะในทางด้านจิตใจของเราขนานคู่กันไปตรงนี้มันก็จะทำให้เป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยได้ประสบความสำเร็จเราก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งของชีวิตเราแต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือประสบความสำเร็จในการที่จะพาตัวเองออกจากทุกข์ตรงนี้นะก็อยากให้พวกเราเนี่ย ได้ใช้เวลาที่พวกเรามีกันเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่ที่บอกว่าไม่แน่นะว่าจะเหลืออีกแค่ไหนไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือชาตหน้าเนี่ยไหนจะมาป่อนกันหรือว่าอย่างที่หลวงพ่อเขียนบอกว่าเราไม่เคยเห็นมันพรุ่งนี้เลยเห็นแต่เดี๋ยวนี้เห็นแต่นาทีนี้เนี่ยเราก็เอาตรงนี้ละฮะมาใช้ประโยชน์กันพาให้ตัวเราเองเนี่ยนะฮะพ้นทุกข์กันแล้วก็ตรงนี้ละเราก็จะพบว่าถ้าหากว่าพวกหลัง ละความคิดได้ละความคิดได้เนี่ยเราก็จะถึงจุดที่เรียกว่าไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นนิพพานชิมลองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็ตามตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกได้สอนแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ได้ให้ความมั่นใจของเรานะเหลือแต่พวกเราเนี่ยจะทําให้ศรัทธาที่มีในครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นจริงขึ้นมาในตัวเราแล้วเราก็สัมผัสผลนั้นๆแล้วก็ต่อศรัทธาไป ไปถึงจุดที่พวกเราไม่มีทุกข์ด้วยกันทุ ก, ทกคนนะฮะเราก็ก <Ừ. S 1> ลับมาทำกัน